ก็ต่อไปนะั้นี่วาโตนี่ความประพฤติท่อมตนผู้ที่จะประพฤติท่อมตนได้นั้นต้องเป็นผู้ไม่มีมานะคือความเย้ยยิ่งคือความถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราสูงกว่าเขาอย่างที่ท่านเรียกว่าคือว่าไม่พองลมเนี่ยฉะนั้นลักษณะของมานะคือความถือตนนั้นเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นธรรมที่ควร ล, ละบางคนเกิดในตะกูลสูงบางคนถือตัวก็มีความรู้มาก ไม่มีผู้อื่นรู้มากเท่าตนบางคนก็ถือว่ามียอดสูงข่มผู้อื่นได้ยอดต่ำบางคนก็ถือตัวมีราบสการะมากข่มผู้มีราบสการะน้อยบางคนก็ถือว่าตนเองเนี่ยมักเป็นคนกระด้างไม่ยอมก้มศรีรษะให้ใครไม่ยอมเคารพไม่ยอมกราบไหว้ใครกลายเป็นผู้แข็งกระด้างทางกายบ้างแข็งกระด้างทางวาจาบ้างไม่อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อม ไม่เคารพผู้ที่ควรเคารพกลายเป็นคนไม่น่ารักหยุดอยู่ในที่ใดก็ขาดคนเคารพยกย่องถ้าจะมีคนเคารพยกย่องเขาก็เคารพยกย่องด้วยความจำใจเออบางคนเนี่เขาเคารพด้วยความจำใจนะถ้าไม่เคารพก็ไม่ได้ใช่ไหเพราะมันมีอะไรกำกับอยู่ยงนี้ฉะนั้นการผมบอกว่าความเคารพด้วยความจำใจก็คือความกลัวทำตามหน้าที่บางอะไรบางเนนะ ทีนี้การมีมานะจึงไม่ดีเป็นโทษทั้งในชาตินี้และชาตินะในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีเรื่องของที่มาของมานะอยู่มากมีคนไปเฝ้าพระผู้มีภาคเจ้าคนบางคนเลยเฝ้าพระทเจ้าโดยไม่เคารพไม่ยอมไหว้ไม่ยอมนั่งลงเจราจาถือตัวว่าเป็นพราหมณ์บ้างมีความรู้มากเสมอบ้างเป็นต้นเราเนี่ยนะก็เลิกละมานะไม่ได้หรือว่ายอมตนบวชประพฤติตามคําสอนของพระธเจ้าบรรลุพระอรหันต์ก็มีแต่บางคนก็ละมานะไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นสัญชัยเวรัพุทธเนี่ยเป็นครูของพระโมคะลานะและของภาษาริบุตรท่านภาษาริบุตรได้ฟังธรรมจากพระอัชชิเมื่อภาษาริบุตรได้ฟังธรรมจากพระอัชชิได้ดวงตาหินรมเป็นพระโสดาบันแล้วนี่ยก็ไปเล่าเรื่องนั้นให้กับพระโมคะลานะฟังเป็นเหตุให้ท่านพระโมคะลานะได้ดวงตาหินธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยท่านทั้งสองก็ไปหาครูเก่าไปหาครูสัญชัยเนี่ยเนี่เพื่อจะไปชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่ครูสัญชัยไม่ยอมไปทั้งที่ทราบว่าการไปนั้นเป็นการดีมีประโยชน์ไม่ยอมไปเพราะอะไรไหมมีมณ า, าวาตนเนี่ยเป็นครูมีลูกศิษย์มากจะยอมตนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าซึ่งเด็กกว่านั้นไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าพลาดนี่คือโทษของการถือตัวนี่นะทีนี้การถ่อมตนเนี่ยนะเขาแปลมาจากคาว่านิวาโตเนี่ยความไม่เยื่อยิ่งจองหองความไม่ทะนงตนความไม่ดูหมิ่นผู้อื่นเป็นผู้ไม่แข็งจะได้ เพราะฉะนั้นท่านจึงกลา่าวพรานาคุณลักษณะของบุคคลผู้ทอมตัวไว้ว่าเป็นผู้ขจัดมานะได้แล้วขจัดความกระด้างได้แล้วรู้สึกตนแล้วเหมือนผ้าเก่าสำหรับเช็ดเท้านี่ยทำตนเหมือนโคที่เขาหักที่เขาหักเนี่ยนะคือพระสารีบุตรนะจะมีจะมีมงค์โคนข้อ น, นี้สูงมากท่านพระสารีบุตรจะมีความรู้สึกว่าเหมือนผ้าที่เช็ดเท้าทำตนเหมือนผ้าเช็ดเท้านี่โอ้โหไม่ลังเกียจเลยนะ ว่าจะดินติดมาจากอะไรหรือของสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยเช็ดให้หมดเลยว่าเช็ดเทา้าไม่เคยอินหนาละอาใจยกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทำตนเหมือนโคที่เขาหักโคที่เขาหักเนี่ยเข้าที่แคบแคบก็ได้เขามันไม่เกะกแล้วก็เหมือนสอรอพิษที่ถูก ถ, กถอดเขี้ยวพิษแล้วเอางูเห่าเนี่ยถ้าถอดเขี้ยวออกหมดแล้วห ม, ลหมดพิษแล้วเราถ้าลองถูกถอดราคะโทสะโหมหะออกก็หมดเขี้ยวพิษ ไม่ไปแว่งกัดใครอีกแล้วใครด่าใครว่าก็ไม่เป็นไราอาภัยเขาเธออะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถอดเดี๋ยวว่าเนะี่ยบอกเดี๋ยว่าได้เจอกันเขาบอกว่าลักษณะของผู้เป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานมีวาจานุ่มนวลมีวาจาน่ารักน่าชื่นใจแสดงลักษณะออกให้โลกได้เห็นเหมือนคำโบราณในโลกกนิติบอกว่าสายบัวเป็นเครื่องวัด น, น้นกิริยาเป็นเครื่องวัดปัญญาต้นหญ้าเป็นเครื่องวัดเขาว่าไงเนะี่ย ท่ากก็บอกว่าไงโคงโรคกันนิดเ็า่าไงสายบัวบอกลึกตื้นโรลาธานมันยติส่อสันดานชาติเชื้อชั่วโฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบยอมย่าเหี่ยวแห้งเรือบอกลายสแสลงดินเขาบอกว่าไอ้ก้านบัวเนี่ยบอกลึกตื้นโรลาธานบอกว่าแม่น้ำเนี่ยจะลึกหรือตื้นเนี่ยเขาดูสายใหญ่ดูก้านบัวใช่มถ้าก้านบัวมันยาวนี่แปลว่าน้ามันลึก ถ้ากา้านบัวมันสั้นอย่าแปลว่าน้า ม, มันตืน้นเนี่ยไม่ใช่ว่าก้านบัวมันยาวบอกว่าน้ามันยาวไม่ใช่น้า ม, มันลึกน้ำ ม, มันลึก Sang มารยาทเนี่ยมารยาทเนี่ยเขดูกันที่บอกว่าคนน่าจะมีจิตใจงามหรือไม่งามก็ดูมารยาทดูการแสดงออกส่วนว่าจะฉลาดหรือไม่ฉลาดก็ดูจากคาพูดใช่ไหมคาพูดออกมาแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยคนโง่หรือคนฉลาดเนี่ยก็ดูแค่คําพูดไอ้ดินจะดีหรือไม่ดีก็ดูยาก ถ้าหญ้ามันแห้งหญ้าแสดงว่าดินมีพิษแล้วอย่างนี้เป็นต้บนบุคคลผู้มีความรู้และความดีอยู่ที่ตัวมากย่อมแสดงลักษณะการถ่อมตัวออกมาให้เราได้เห็นเหมือนเหมือนไม้ย่อมไหวตัวเมื่อต้องลมเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระนเนี่ยนีสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องทําตัวเหมือนไม้ไผ่ไม้ไผ่เนี่ยเวลาลมพัดมาก็ลูตามลง ไม่ต้านลมนะถ้าต้านแล้วครักสาวของพุทธเจ้าก็คือรู้ตามคำสอนไม่ใช่ต้านคำสอนความถ่อมตัวเนี่ยขยายเป็นการถ่อมกายถ่อมวาจาถ่อมใจนะกิริยาอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานใจก็อ่อนโยนเนี่ยกิริยาอ่อนน้อมเนี่ยหมายความว่าสแสดงกิริยาถ่อมตัวออกมาไม่ลดตัวลงจนเกินไปแล้วก็ไม่ถือตัวจัดจนเกินไปมีกิริยาละมุนละไม ต่อคนทั่วไปทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยทั้งผู้เสมอตอนเองอันนี้ก็เรียกว่ากิริยาอ่อนน้อมส่วนวาจาอ่อนหวานก็คือพูดไพเราะเนี่ยพูดจากจิตใจที่สะอาดคนทําตามได้ไม่มีโทษก็ เ, เรียกว่าคนมีทุกข์เนี่ยพูดให้เขามีสุขได้เนี่ยนคนเครียดคนกังวลมานี่เราก็พูดจา้าบอกแนะนําเขาอะไรเขาเนี่ไม่จะบอกเขาเครียดแล้วเราก็พูดให้เขาเครียดอันนี้เขาไม่เรียกว่าเจ้าอ่อนหวาน ไม่ใชจนคนว่าบอกโอยเราเครียดเหลือเกินนะเราก็เครียดเหมือนกันเนี่ยมายุงอันนี้ไม่ใช่ว่าจาอ่อนวานนะคือก็แทนที่เขาจะได้ที่พึ่งกับจงหายไปยุย่งเลยเนะี่กูจะมาหาที่พึ่งเสร็จเลยยิ่งเขาเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมเวลาลูกทุก อ, อกทุกใจเนี่ยบางคนด่าส่งเลยเนี่ยเสียเลยลูกเขาทุก อ, อกทุกใจมาเนี่ยเกิดลูกไปทําอะไรผิดพลาดมาเกิดไปได มากระตั้งป้อมเลยมก็เล่นงานเลย ป, ป๊ป๊บนี่ไม่มีว่าเจ้าหวานหวานเราก็ไม่ไหวเลยบอกว่าหน้าตาแบบนี้ไม่พูดดีก็กูเพื่อนพูดดีก็กูกไปเลยเดี๋ยวนี้เลยเสียเลยนี่เขาเรียกว่าใจอ่อนโยนก็คือว่าละละมุนละไมทำตัวสงบส ง, ง่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตาโอ้พ่อมาลีไม่แสวงหาประโยชน์ในทางที่ผิดศีลธรรธม เป็นผู้ตั้งอยู่ในความเที่ยงตรงไม่คิดทำร้ายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ตนเนี่ยเมื่อใครเขา้าคือถ้าใครเขาไม่เห็นดีกับเราก็ไม่ไปโกรธเขาไม่ไปอาฆาตไม่ไม right. พยายามบัตรเนตเลยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่านิวาโตเนเยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าความประพฤติท่อมตนเนี่ยนะไม่มีมานะนี่เป็นมงคลเป็นเหตุให้ถึงความสุขความเจริญตลอดถึงเป็นบันไดให้สาเร็จมรรคผลนิพพานได้นะ มีเรื่องที่จะนํามาเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพระเจ้าสักยะมีมานะในชาติกลของตนไม่ยอมให้ตระกูลของตนนะปะปนกับตระกูลอื่นเป็นเหตุให้วงตระกูลต้องพินาศเรื่องนี้ก็ยาวนิดหนึ่งคือพระเจ้ามหานามเนี่ยเป็นพระเชษฐาของพระเจ้าอนุรุทธะต่อมาได้ครองคุณกบาาับิลพัทแทนพระเจ้าสุโทโธทนะใช่ไหมทีนี้พระเจ้าอาผู้ปรินิพนนันธ์ไปเนี่ยเออไม่เนี่ยแหละเออือพระเจ้าสุวนะั้นนี่ปรินิพานธนะเป็นพบ า, นาราหันนะ ต่อมาพระเจ้ามหานา ม, มาก็ได้เป็นพระเจ้าเป็นดินพระเจ้ามหานามเนี่ยมีพระราชธิดาที่เกิดจากนางทาสีคือไปได้กัไปได้กับคนในตระกูลชั้นต่าเนี่ยมีชื่อว่านางวาสะพระคติยาเมื่อพระเจ้าปรสเซนที่โกสลทูลขอพระราชธิดาไปเป็นพระมเหสีใช่ไหมก็ไม่ทรงปรารถนาจะถวายเพราะทรงมีมานะในชาติตระกูลนึกออก พระเจ้าประสิทธิโกศลทารัฐประหารขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ตนเองนั้นเป็นตระกูลที่บริสุทธิ์เจ็ดชั่วโคตรวงนั้นนะคิดอย่างนี้นะก็มีมารณะขึ้นมาทันทีเลยต่เนี้ยมีแต่ว่าพระเจ้าประเสิทธิโกศลมีพระเดชานุภาพมากในขนาดนั้นจึงทรงใช้อุบายส่งลูกของนางทาสีเนี่ยคือนางวาสภคทิยาไปถวายแทนโดยปกปิดความจริงไว้ไม่ให้ฝ่ายพระเจ้าประสิทธิโกศลทราบ ย้อมแมวซะเลยใช่ไหมไม่เอาลูกที่เกิดโดยบริสุทธิ์ทั้งสองแต่ว่าเอาลูกของตอนเองนั่นแหละแต่ว่าเกิดจากนางทาสีเนี่ยจนกระทั่งนางวาสพขคทิยาเนี่ยมีพระโอรสองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าวิทูธพะต่อมาพระเจ้าวิทูธพะก็จะเจริญวัยเติบโตขึ้นมาจนอายุ16พรรษาต่อมาก็ทูลลาพระราชบิดาพระราชมารดาจะไปเยี่ยมพระอิยากาคือพระเจ้ามหานม ทรงทำนักอยู่ที่เมืองกบิลพัทสามวันก็เสด็จกลับนะึงพวกเจ้าสักยะเนี่ยรังเกียจรังเกียจพระเจ้าวิทูธาภามากโ อ, โอ้เนี่ยเกิดจากนางทาสีพอพระเจ้าวิทูธาภัเสด็จกลับก็นำมอญน้ํานมไปล้างพื้นกระดานที่เจ้าวิทูธาภัประทับนั่งบางนอนบางเป็นต้นหนึ่งทีนี้เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นบอกว่าเพราะว่านางทาสีเนี่ยนีที่ล้างกระดานไปก็บ่นไงคนใช้อะ กบ่นว่าเจ้าวิทูรธภ า, าว่าลูกของนางทาสีมานั่งที่นี้มานอนที่นี่หัวเสนียดจันเลมากอะไเงี้ยเนี่ยเอาน้ํานมลาดไปก็บ่นไปทําให้เราต้องมาล้างกระดานเพราะว่าทหารคนสนิทของเจ้าวิทูรธภาคนหนึ่งลืมอาวุธเขาไว้ก็กลับมาเนี่ยได้ยินและได้เห็นก็ถามนางทาสีว่าด่าใครว่าเป็นลูกทาสีนางทาสีก็เลยเล่าทหารคนนั้นก็นําความไปเล่าให้ใ ห, ให้ให้พระเจ้าวิทูรธภาฟังทีนี้ ในที่สุดจริง ๆ, จงๆเจ้าชายจ้พระเจ้าวิถูพะก็โกรธอาฆาตบอกว่าในพวกเจ้าศักยะบอกว่าตั้งพระทัยไว้ว่าหากพระองค์ได้ครองเมืองเป็นสาวัตถีเป็นพระเจ้าเป็นดินเมื่อไหร่จะฆ่าเจ้าศักยะเนี่ยเอาเลือดล้างกระดานที่พระองค์ประทับนั่งนี้ได้ต่อมาก็ได้ครองราชสมบัติในเมืองคือพระเจ้าวิถุสพระเนี่ยเนี่ยทำรัฐประหารพ่อของตนเองที่จริงก็คือมีอํามาตย์คนใกล้ชิดพระเจ้าเปอร์เซนที่กศลัวส ตอนนั้นพระเจ้าประเสิทิ์ทีโคศนไปเฝ้าพุทธเจ้าก็เลยยึดอำนาจก็สถาบนาพระเจ้าวิทูธะพะขึ้นครองแล้วก็พระเจ้าประสิทธิ์ทีโคศนก็ไปสวรรคตกลางทางต่อมาเนี่ยพระเจ้าวิทูธะพาก็ยกกองทัพไปตีเมืองกบิลละพัฒแต่พระผู้พิภาคเจ้าก็เสด็จไปที่โคนต้นไทรในระหว่างทางเป็นเหตุให้พระเจ้าวิทูธะพาตํหนิว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาเพื่อป้องกันพระญาติของพระองค์พระผู้พิภาคเจ้านั้นเน่ยเป็นสากยะเนี่ย พระเจ้าอิทูภะก็เข้าไปถวายนมำส ก, การพระพุทธเจ้าแล้วในสุดก็ยกทัพกับครั้งที่สองครั้งที่สามก็ยกมาอย่างเนี้ยวันที่สี่พระผู้มีภาคเจ้าพิจารณาถึงกรรมของพระเจ้าสักยะทรงทราบว่าได้เคยทําปาณาติบาตร่วมกันไว้คือเบือปลาด้วยยาพิษร่วมกันเห็นไหมโทษของเอายาเทลงในแม่น้ำเนี่ยปลาตายเป็นล้านๆเนี่ยต่อมามาเกิดร่วมกันเนี่ย ถึงเวลาที่กรรมนั้นจะส่งผลแล้วพระองค์ไม่อาจจะห้ามกรรมที่จะให้ผลได้ด้วยเหตุนั้นจึงไม่ได้เสด็จไปห้ามทับพระเจ้าวิทูธภะก็ทรงพาไพ่พลหเข้าเมืองกวิลละพัทในที่สุดจริงๆก็คือฆ่าเนื่องจากพระเจ้าสักยนะมั่นคงอยู่ในศีลห้าเนี่ยมั่นคงอยู่ในศีลห้าเนี่ยก็ไม่ยอมล่วงศีลพราะเห็นแก่ชีวิตในสุดจริงก็ถูกฆ่าตายหมดฆ่าตายพระเจ้าวิทูธภนะนั้นนี่ย ทรงเว้นไม่ค่าเฉพาะแต่พระเจ้ามหานามาผู้เป็นอายกาเท่านั้นแต่เมื่อพระเจ้าวิโทสะปรารถนาจะเสวยร่วมเน่ยไหมบอกว่าเอาแท้เห็นว่าเราเป็นลูกทาสีใช่ไหมจะบอกว่าขอกินอาหารร่วมหน่อยอะจะเสวยอาหารร่วมหน่อยพระเจ้ามหานามาซึ่งแม้จะเป็นถึงพระสก่าทาคามีแต่ยังละมานะไม่ได้นะไม่ปรารถนาจะเสวยร่วมกับลูกของลูกนางทาสีก็ทรงออกอุบาย ขอสงน้ําแต่แล้วก็ดําไปในหวังจะฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ตายเพราะว่ามีคนช่วยกขาไว้เห็นนี่แสดงให้เห็นชัดเลยนะว่ามานาเนี่ยรุนแรงมากนี่นี่เป็นไปในรักอัคตน า, าการอย่างนี้อาต่อไปก็คือมงคลท่อข้อต่อไปนะสันตุถีก็แปลว่าความสันโดดความสันโดดนั้นแปลว่าความยินดีความยินดีก็เรียกว่าความสันโดดนี่ยนะความสันโดด สันตุถีในบาลีส่วนที่ใช้ในภาษาไทยก็แปลว่าสันโดษนั้นแปลงมาจากสันสกฤตก็แปลว่าความพอใจหรือยินดีตามมีตามได้ท่านจําแนกไว้ไว้สามอย่างเนะืยากถาลาภสันโดษยินดีตามที่ได้มาอย่างหนึ่งนี่เขาเรียกว่าอยากถาลาภสันโดษก็เลยยินดีตามที่ได้มายถาภะสันโดษยินดีตามกําลัง แล้วก็ยะถาสารุปสันโดษยินดีตามสมควรเออมีสามอย่างนะสันโดษเนี่ยคุณธรรมเก่าคือสันโดษเนี่ยอธิบายยากมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเขาประกาศออกมาเขาบอกว่าห้ามเอาคําสอนคําว่าสันโดษเนี่ยมาสอนจะเป็นเหตุให้คนเกียดค้านบอะงั้นนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยเนะว่าห้ามเอาสันโดษมาสอน นั้นบ่งบอกว่าไม่เข้าใจคำว่าสันโดษคืออะไรยินดีของอันเป็นของตนคือไม่น้อมใจเพื่อโลภอยากได้ของคนอื่นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ายินดีตามที่ได้มาเนี่ยว่าถ้าเราจับสลากได้ของอย่างใดอย่างหนึ่งมาแม้จะไม่ใช่ของดีมีราคาเราก็ยินดีพอใจของเฉพาะนั้นไม่เป็นยินดีพอใจในของคนอื่นที่เขาจับได้อย่างนี้เขาเรียกว่าสันโดษตามที่ได ใช่ไหมถ้าเราไปได้อะไรมาเนี่ยตามที่เราตามลาบสกาละที่เราได้เนี่ยเช่นเราจับสลากได้อมไม่พอใจเลยไอคนนั้นได้ของดีอย่างนี้เขาเรียกไม่มีสันโดษเข้าใจใช่ไหมวันก่อนก็มีไปได้ของขวัญอะไรมาชิ้นหนึ่งก็นึกในใจว่าเออนักเรียนเขาสอบบาลีกันเนี่ยเขาต้องเขาขอของขวัญองค์ละหนึ่งชิ้นอย่านก็เลยเ อ, เอานี่เราก็เขียนชื่อตอนเองหน่อย ไปติดๆกันไว้แล้วก็ไปต่อมามีพระรูปหนึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนท่านไปจับฉลากได้ท่านโทรมาเลยนะโอ้ขอบคุณมากกว่านั้นนะถามเป็นไงเขาบอกเขาอยากได้มานานแล้วของชิ้นแบบนี้เขาหาไงก็ไม่ได้เขาบอกไม่สมใจเขาจริงๆเขาบอกว้าก็เขาได้สวยมากๆเลยลก็มนันแล้วก็มันนึกว่ามันสวยตรงไหนมันเป็นนาฬิกาแล้วก็มีตู้ปลา นี่ก็มาให้เขาเนี่ยเนึ่มองไงเราก็มองไม่สวยเพราะไม่มีพระพุทธเจา้าไม่มีคําสอนอะไรเลยมีแต่สัตว์เดรัจฉานวิ่งไปวิ่งมาแต่มันเป็นปลาเทียมเนะี่ยวิ่งไปวิ่งมาเอ็กเขาว่าสวยมากเข้าใจก็อย่างได้เขาบอกว่าจะเสียบไฟแล้วมันก็จะสว่างแล้วดูเพลินเลยก็าชื่นใจ <c oughs> ยินดีตามได้เนีเป็นพระเหมือนเด็กชอบเล่นของเราก็หาไปแล้วก็นึกว่า นั่นเป็นอย่างนี้ด้วยนะเราจะแปรของที่เราศรัทธาเราแน่นไปให้คนอื่นก็ไม่ได้เขาาไม่ค่อยชอบเหมือนเราชอบเคยเอารูปพระพุทธเจ้าใหญ่ๆทำเบธวะดูเขาธรรมดาไม่ค่อยชอบแต่เรากับพีชอบแบบยะถาภราสันโดษเขาเรียกว่ายินดีตามกําลังเช่นว่าคนป่วยเนี่ยมีกําลังน้อยต้องรับประทานอาหารอ่อนๆเบาๆ เมื่อมีคนอาหารดีๆมาเยี่ยมแม้จะรู้ว่าเป็นอาหารดีมีรสอร่อยก็ไม่รับประทานในเมื่อของนั้นไม่สมควรแก่คนปว่วยอย่างนี้เขาเรียกว่าสันโดดตามกำลังของตนใช่อย่างเช่นอาจารย์เนี่ยโอ้โหอาหารใช่ไหมเขาเอาอาหารดีมาอะไรต่างเนี่ยเราไม่ยินดีตรงนี้ก็ยินดีตามกำลังของเราใช่เราก็ยินดีอย่างนี้ก็เรียกว่ายะถาภะสันโด ยินดีตามกําลังหรือบางทีเนี่ยเราเป็นคนที่ขี้หนาวเนี่ยเน่ยเขาเอาผ้าบางๆมาเนี่ยเราก็ไม่เอาเราก็ยินดีแต่ผ้าที่หนานะอันนี้เขาเรียกยินดีตามกําลังของเราเราต้องข่มผ้าน้ห น, น, ะนะ น, นอาอยู่สมมติเนี่ยบางคนโอ้โหร่างกาย ก, ก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องผ้าเบาๆอยู่ไหมไม่ใช่ไปใส่ น, นนาะๆเขาเรียกยินดีตามกําลังนะเป็นมงคลทั้งนั้นนะในการรู้จักตรงเนี้ยถ้าเป็นเน้นก็คือว่าชีวรไงใช่ไหม เอออย่างร้าน่จีวรถ้าลองไปใส่จีวรไหมราคาห้0พันราคาเป็นหมื่นนียอย่างนี้โอ้โหไม่ไม่สนโดษไม่ยินดีตามกำลังแล้วยาถาสารบะสนโดษคือยินดีตามสมควรเช่นเราเป็นคนจนได้ของบางอย่างที่เกินฐานนะก็ไม่ต้องการเราได้ทำความดีความชอบมีการช่วยเหลือการงานของนายโดยไม่รังเกียจ นายเห็นความดีของเราก็ให้ของประดับบ้านที่ดีและของราคาแพงแต่เราก็เห็นว่าไม่สมควรที่จะนํามาประดับอย่างนี้เขาเรียกว่ายะถาสารุปสันโดษนะคือไม่รับเออบางทีมันมีอยู่ลายลายหนึ่งนะเ้าเป็นทนายไปว่าความให้เขาให้คนมีเงินเขาก็สมนาคุณเลยนะให้อยู่บ้านหลังใหญ่ <c oughs> ใหญ่หลังใหญ่สองหมเมียโอ้ ใหม่ๆก็ทําท่าดีอะขา ม, มาเล่าให้ฟังพออยู่ได้สักสองเดือนโอโ้โหนั่งเครียดเลยอืหญ้าสนามหญ้าก็ตัดไม่ไหวต้องจ้างคนตัดค่าน้ําค่าไฟก็เยอะแล้วทําความสะอาดก็ไม่ไหวได้อยู่สองเดือนเอาไปคืนเจ้าของก็ไม่เอกกาลังมันไม่พอเอาเงินคนไม่มีสักไม่มีเงินเสียค่าน้ําค่าไฟเนี่ยให้ไปอยู่บ้านหลังใหญ่ๆก็อยู่ไม่ได้นั่งปวดหัวเลยใช่ไม่ใช่นี่เป็นอย่างงี้เนี่ยนะ เขาเรียกยะถาสารุปสันโดฉะนั้นสันโดดเนี่ยเป็นมงคลถ้ารู้จักในการที่จะไปไข่ควรไปพิจารณานเนี่นะ mm. เขาเรียกว่ารับก็รับแต่ของที่สมควรแก่ฐานนะของตนอย่างนี้ก็เรียกยถ า, าสารุปสันโดดความสัมโดดเนี่ยเออมีภิกษุณีรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลน่นยนะอุบาสกเจ้าของไรกระเทียมผู้หนึ่งในเมืองในเมืองสาวัตถีก็ไปป ร, รณากระสง่งว่าท่านผู้ใดต้องการกระเทียมนิมนต์ไปได้ วันหนึ่งอ่ะนางภิกษุณีรูปนี้ชื่อว่านางทุลานันทาก็พาภิกษุณีไปเก็บกระเทียมที่ไร่ของอุบาสกเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้ประมาณในความเป็นสมนาณะอุบาสกนั้นไม่พอใจที่เห็นภิกษุณีนั่โลภคือไปโพรนาจริงๆเนี่ยแต่โอ้โหเอามากเกินไปเคยไ้มบอกว่าเรายังเคยเนะไอตอนสมัยเป็นฆราวาสเนี่ยมีเพื่อนๆมาก็ เออเนี่ยมีของเนี่ยเอาไปที่ว่างเัินเลยพวกเอาไปหมดเลยเลยมันมันรู้สึกใจหายๆไงเคยเป็นมาไอเราก็นึกว่าแม่พวก็จะเอาเก็บไว้ให้เราบ้างเลยเนี่ยนะที่ไหนได้เอาไปหมดเลยแม่เราก็ขี้เกียจขึ้นมะม่วงเนี่ยนะมะม่วงที่ไร่ที่สวนก็มาเยอะๆแม่พวกเอาถุงใส่เลยเดินลงบ้านหน้าตายเฉยเลยหลงแม่พูดไม่ออกเลย จะพูดกลับบอกว่าเคยให้เท่านั้นเท่านี้ก็นาะเกลียดเลยอายเข้าไปเสื่อ้นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันบอกว่าไม่พอใจก็ตีเตียนนะพระพุทธเจ้าทราบจยบัญญัติห้ามฉันกระเทียมเลยใั้นความไม่สันโดษไม่ยินดีตามฐานะของตนจึงมีโทษอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้มีความสันโดษจึงเป็นคนมักน้อยควบคู่ไปด้วยถ้ามักมากแล้วก็สันโดษไม่ได้ความสันโดษ น, นั้นจึงเป็นมงคลนะมีลักษณะนี้ก็เรียกเป็นมงคล ทีนี้ประการต่อมาก็คืออย่างที่บอกว่ายินดีของกันเป็นของตนคือไม่น้อมใจไปในความโลภอยากได้ของคนอื่นยินดีของตามที่มีอยู่ไม่เป็นคนมากๆอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอความเป็นผู้มีใจสม่ําเสมอในปัจจัยและอารมณ์คือจะได้ปัจจัยหรือไม่ได้ก็ตามไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนานี่เขาเรียกว่ายินดีโดยสม่ําเสมอตรงนี้สําคัญมาก ได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสมัยก่อนก็คือว่าเข้าป่าไปเก็บผักใช่ไหมถ้าคนไม่มีสันโดษเนี่ยอต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้นี่ไปกับความโลภถ้าไม่ได้เนาะเครียดกลับมาอนี้อันนี้ไม่มีถ้าสันโดษนี่คือว่าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาอย่างเงี้ยนะไม่โลภในอำนาจวาสนาไม่โลภในทรัพย์สมบัติไม่โลภอาหารการกินไม่โลภในการมาคุณอันนี้เขาเรียกว่ายินดีในของตน ความสันโดษก็คือว่าพอใจตามที่ได้ยถาลาภะสันโดษพอใจตามกําลังก็คือยถาภะลาสันโดษพอใจตามสมควรก็เหลือยถาสารุปปัสนโดษเป็นต้นอันนี้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วความสันโดษเป็นมงคลอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐเพราะเป็นคุณให้ผู้ปฏิบัติเกิดความปราบพืินเอิบอิ่มใจรู้จักความพอเหมาะพอดีนีและเป็นคุณสนับสนุนผู้ปฏิบัติ ให้ได้วัตถุสมบัติและก็คุณธรรมอื่นๆนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยแก่ผู้ปฏิบัติเนะี่ยให้บรรลุผลคือความฉลาดและความสุขปราศจากโทษและเวรภัยด้วยนั้นความสั น, สนโดษจึงเป็นมงคลดังที่ได้กล่าวนี่เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้จบเลยนะความสันโดษระการต่อไปก็คือกตันยูความกระตันยูกตันยูอย่างเดียวนะีความเป็นรู้ผู้รู้คุณที่ท่านกระทําแก่ตนนะชื่อว่าความกระตันยู และความกระตันยูนี่คือความดีที่เป็นพื้นฐานของคนดีเมื่อคนดีมีความกระตันยูเป็นพื้นฐานแล้วความดีทั้งหลายก็ไหลไปรวมอยู่ในคนดีนั้นเหมือนอะไรเหมือนลำลำาธารทุกสายไหลสู่แม่น้าใหญ่เขาบอกว่าลักษณะของกระตันยูเนี่ยนะมันเป็นความดีที่เป็นพื้นฐานของคนเหมือนแม่น้าทุกสายเนี่ยจะต้องไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่ นนคนที่มีกระดันอยู่แล้วเนี่ยคุณธรรมทั้งหลายก็จะไหลสู่จิตใจของคนที่มีกระดันอยู่คนดีมีอยู่สองยมพวกนะคนดีในวงแคบกับคนดีในวงกว้างเนี่ยในวงแคบก็คือคนดีที่ทําความดีแบบมีเงื่อนไขเช่นเมื่อทําดีต่อคนอื่นเช่นว่าถ้าจะทําความดีต่อคนอื่นก่อนเนี่ยถ้าเห็นว่าจะมีผลตอบแทนหรือรู้ว่าเขามีคุณแก่ตนแล้วก็หาช่องทางที่จะทําความดีตอบสนองในภายหลัง คนดีจำพวกนี้หาได้ง่ายคือมองอยู่แล้วว่าถ้าเราทำดีกับคนคนนี้คือมันมีช่องทางที่จะทำให้เราได้ดีเนี่ยก็ไปทำดีกับเรามันเป็นความดีไม่เป็นแต่ว่าไม่ดีจริงมันแคบคนดีในวงกว้างก็คือคนดีที่ทำความดีด้วยความรู้สึกสำนึกว่าเป็นความดีเนี่ยหรือทำความดีเพื่อความดีเช่นทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนเนี่ยประเภทนี้หาได้ยากคนดีมีอยู่สองประเภทนะ ป, ปปกาลีบุคคลได้แก่ผู้ทําความดีเก่คนอื่นก่อนประการที่สองก็คือกต uh ันญูกตะกตัญยูบุคคนเนี่ยบุคคลผู้รู้คุณที่บุคคลทําแล้วก็ตอบสนองคุณพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าปพปกาลีบุคคลและกตันยูบุคคลเนี่ยหาได้ยากเพราะคนดีคู่นี้ไม่ใช่ว่ามีอยู่ทุกสถานโอ้พุทธเจ้าว่ายัางไงเนี่ยบอกว่าคนดีประเภทนี้หาได้ยาก ไปหน้าที่ไ ห, ไหนไม่ใช่จะหาได้ไง่ายๆวะเนี่ยประการต่อลักษณะของคนกตันยูก็คือว่าคนกตันยูไม่เพียงแต่รู้คุณของผู้มีคุณสนองเท่านั้นยังมีคุณธรรมอื่นๆอยู่ด้วยเป็นผู้ใหญ่มีเมตตากรุณาอบอ้อมอาลีเผื่อแผ่แก่ผู้น้อยเป็นผู้น้อยก็มีสัมมาคารวะซื่อสัตสจจลิทธิ์นั้นความกตันยูเนี่ยเขาท่านแบ่งไว้เป็นสลักษณะเนี่ย mm hmm. หนึ่งกตันยูต่อบุคคล ฉะนั้นลักษณะของกตันยูเนี่ยแบ่งเป็นสาม น, หนะหกตันยูต่อบุคคลสองกตันยูต่อสัตว์สามกตันยูต่อสิ่งที่ไม่มีวิญญาณถ้ากตันยูต่อบุคคลก็คือว่าบุคคลผู้กตันยูควรจะกตันยูรู้คุณของผู้มีคุณและสนองตอบแทนคุณเช่นพ่อแม่ครูประช า, าจชนพระมหากษัตริย์และก็พระพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้ก็คือว่าก็ไปแยกแยะเอ เช่นอย่างพระพุทธเจ้านี่แน่นอนนะ่ยนะก็มานั่งคิดนะอย่างเราในฐานะเป็นสาวกของพุทธเจ้าหนึ่งเออเราจะทําตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าอย่างการตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าก็คือว่าจเจริญในศิกขาสามนะั่นถ้าเป็นพระนิมิตทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็ทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้จเจริญยริงๆอันนี้ชื่อว่าต่อกตันยูแล้วกตันยูต่อพ่อแม่ครูประชาอาจารย์ต่างๆเหล่านั้นก็ ก็ปฏิบัติให้ถูกต้องดังที่เคยกล่าวกตันยูต่อสัตว์ก็คือคนเนี่ยนะกะตันยูรู้คุณของสัตว์ที่ตนได้ให้แรงทํางานเช่นช้างม้าวัวควายเป็นต้นไม่ประพฤติเทียมโหดแก่มันเมื่อใช้เป็นผ้านะเทียมเกลียนเช่นบํารุงบําเลอให้ความสุขแกเขาให้เขาพักผ่อนตามการเวลาเป็นต้นคนสมัยโบราณเนี่ดีนะีวันพระวันโกนเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ใช้แรงงานสาัตว์เขาก็จะพักผ่อน นันก็คือหลักกะตันยูเถาศัตท์นั่นเองส่วนที่ไม่มีวิญญาณก็คือว่าสิ่งของเครื่องใช้อันนี้แปกต้องกระตันยูแยกไปอีกหนึ่งสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตนและสิ่งที่ป้องกันภัยอันตรายในสิ่งจนกระตันยูย่อมรู้สึกรักใครไม่อยากให้ใครเอาไปใช้หรือเอาไปทำลายเนี่ยาบางคนคนโบราณมางคนเขามีไม้คานอนหนึ่งเขาบอกนี่คู่ชีวิตเขาเยือางคลก็เรือ บอกเหม่ทาทออาทองไปทาอย่างดีติดอย่างดีเท้าทำไมนี่แหละ ก, ก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็เพราะไอ้ของชิ้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของกต่ายยูนะเป็นลักษณะของกต่ายยูบางคนก็เกวียนเนี่ยเกวียนเก่าๆนี่เก็บไว้ดูต่างหน้าบางคนก็เอาเขาวัวเข า, วขาวควายมึงมาติดกันวะเพราะอะไรวะมันเคยทําคุณประโยชน์ให้ต่อว่ามันตายอย่างี้ ตายก็เขามาติดเขาไว้ดูเอาท้องติดด้วยนะมีเอาทองติดไวยด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่ากตันยูต่อสิ่งที่ไม่มีวิญญาณแต่ในชั้นของอีกแห่งหนึ่งนีท่านกล่าวไว้ดีท่านบอกว่ากตันยูต่อตอบตอบบุญคือตอบแทนผลบุญของตนเองที่ตนเองได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นอะไรนี่ก็ให้ระลึกถึงบุญของตนเองที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ตอบแทนบุญของตนเองบ้าง ลักษณะอย่างนี้เขก็เรียกว่าเป็นกตาเวทีคือการตอบแทนทีนี้ความกตันยูเป็นมงคลอย่างไรเนี่ยความกตันยูเป็นบ่อเกิดแห่งเกียรติยศความมีเกียรติเนี่ยเป็นเหตุให้บุคคลได้ประสบความเจริญความเป็นผู้น่ารักใคร่นับถือมีความเบิกบานสํารานใจเนี่ยบุญก็มาปัญญาก็เกิดเข้าว่าไงความกตัญยูเนี่ยเป็นมูลเหตุของสมบัติอย่างนี้ข้าพ้าถึงจัดว่าเป็นเป็นมงคล นี่เป็นใบลักษณะอย่างนี้นี่ก็บอกว่าหลักธรรมที่ควรศึกษาเนี่ยนะการที่เราจะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อุปชาอาจารย์เนะี่ยทายังไงถูกไหมคือการแผ่เมตตาให้ท่านเออ ถ, ถ้าเราช่วยอะไรท้าไม่ได้เนี่ยนะสิ่งที่ดีที่สุดแล้วต้องทําอย่างต่อเนื่องก็กคือว่าการแผ่เมตตาให้พ่อแม่ครูปยาอาจารย์ทุกวันคือมีความรักมีความปรารถนาดีมีความเมื่อทอนเนี่ยนะ แล้วก็เจริญเมตตาจิตเน่น้อมระลึกขอให้พ่อแม่ครูบูชาอาจารย์ประสบแต่ความสุขความเจริญเนี่ยนะคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปกับบุญเป็นไปกับกุศลขอให้ความคิด น, นั้นจงสมความปรารถนาก็น้อมจิตระลึกเนี่ยขอให้พ่อแม่เป็นต้นเรานเนี่ยนะพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกขอให้มีความสุขขอให้อย่าได้มีเวรภยัยขอให้ พ้นจากความทุกข์กายทุกใจขออย่าได้มีจิตคิดพยาบาด่าฆาฟ้องร้ายเนี่ยเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็น้อมจิตไปในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการตอบแทนท่านนี่นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยจึงจึงเป็นธรรมะที่ช่วยอุปการะให้ให้กระตันยูเนี่ยให้มีการให้ให้การตอบแทนนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ดีงามนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เนี่านึงบอกว่าหาได้ยาก พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าบุคคลสองจำพวกหาได้ยากคือปุพการีผู้ที่ทําคุณแก่เราก่อนและกะตัญญูกตาเวทีผู้ที่รู้คุณที่ทําแล้วแก่ตนแล้วก็ตอบแทนปุพการีนั้นแก่บิดามารดาครูอาจารย์เป็นต้นท่านให้กําเนิดเลี้ยงดูเรามาอย่างนี้เป็นต้นเอานี่นี่เรื่องราวของผู้มีความกตัญญูมีมากทั้งในอดีตปัจจุบันคนใดเลี้ยงดูมารดาบิดาให้ข้าวให้น้ําเป็นต้นเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นมงคลในมงคล38นะ นนงมงคลต่อไปก็คือว่ากาเลนธรรมะสวัณังการฟังธรำตามการการฟังธทำตามการเป็นอุดมมงคลอัตถกถาท่านกล่าวว่าบุคคลใดมีใจฟุง้งซ่านถูกกามวิตกพยาบาทวิตกและก็วิหิงสาวิตกครอบงำการฟังธทำเพื่อกําจัดความฟุ้งซ่านในเวลานั้นเรียกว่าการฟังทำตามกาลเวลาการฟังทำตามกา ร, ากา ร, าการจึงเป็นมงคลเพราะสามารถละ บาปละอกุศลได้เออตรงนี้ก็ไปพิจารณาดูนะว่าแล้วก็มาพิจารณาดูนะว่าขณะใ ด, ดจิตฟุ้งซานให้รีบฟังธรรมคนทุกวันนี้โดยมากไม่เป็นอย่างนี้เนะี่ยจิตฟุงฟ้งซ่านหาเพียงบังนี้ไม่ถูกถ้าอย่างนี้ไม่ถูกบอกว่าวันนี้ไม่กระสบายใจเลยเดี๋ยวหาเที่ยวเที่ยวไปนู้นมานี้อันนี้ก็ไม่ถูกเขาบอกให้รีบฟังธรรมเลยนะถ้าจิตฟุ้งซานเนี่ยรีบไปเข้าห้องเปิดฟังธรรมะนั่ง สงบฟังไปเรื่อยๆคือสามารถจะราับบาปนะในเรื่องของการฟังทำตามการนั้นะนะนะบางอาจารย์กล่าวว่าการฟังทำทุกวันห้าคาเป็นการฟังทำตามการโดยยกเอาพานุรุธา ท, ที่กราบทูลพระผู้มีภาคเจ้ามาท่านพระานุรธาเนี่ยกราบทูลบอกาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ได้ไประชุมสนทนาฟังธรรมกันตลอดลาตีในวันห้าคำคือว่า ในวันลาตีห้าคำฟังธรรมอีกในหนึ่งการเข้าไปหากรารยานามิตรแล้วฟังธรรมเพื่อกำจัดความสงสัยในการใดในการนั้นชื่อว่าเป็นการฟังธรรมตามการเช่นถ้าสงสัยคำสนอนเ <Gone. S 2> ข, uh. ข้าไปหากรารยานามิตรมีการเข้าไปหาพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วฟังธรรมอย่างนี้เขาก็เรียกว่าฟังธรรมตามการนการฟังธรรมตามการเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้บรรลุคุณวิเศษ สามารถยละกามชันท่พยาบาทีนมิท่าอุทะักกุกุจาและก็วิจิกิชามีอ น, นิสงฆ์5ประการนะฟังธรรมเนี่ยได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหนึ่งแม้ฟังแล้วถ้าได้ฟังซ้ําอีกย่อมเข้าใจและก็จําได้หนึ่งทำให้คลายความสงสัยหนึ่งทำความเห็นให้ถูกต้องถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนี่นะฟังธรรมแล้วเนี่ยทำให้ความเห็นถูกต้องได้คือไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิประการสุดท้ายก็คือว่า จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นอันนิสงแห่งการฟังธรรมเนียท่านพนันท ก, กะเนี่ยแสดงธรรมให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าย่อมเป็นที่รักที่พอใจเป็นที่ยกย่องของพระศาสดาหนึ่งเขาบอกว่าถ้าฟังธรรมเป็นกลางๆเนี่นะเออพระพุทธเจ้ารักถ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตนเนี่นะเห็นเราโป๊กเขาบอกโอ้ท่านพวเนี้ชอบการฟังธรรมมาหลายล้านชาติแล้วเพราะงั้นเน่ยเห็นปั๊บนี่รักเลย ผู้ท่านวันนี้ชอบฟังธรรมถ้าฟังเพลงอ่ะภาษาสะเดาไม่ไหวไม่ยอมฟังธรรมเลยฟังแต่เพลงนะฟังธรรมดีกว่าย่อมทราบซึ่งในอัทธรสแล้วก็ธรรมรสของธรรมานันนั้นแล้วก็ย่อมแทงตลอดธรรมานั้นๆย่อมได้รับคําสรรเสริญจากเพื่อนพมจร์และทําให้ปารบความเพียรเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังให้ทําให้แจ้งนี่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ย นอกจากภาษาสดายกย่องแล้วยังทราบซึ้งในอัฏฐะคือสามารถจะเข้าใจเข้าใจผลของคําสอนแล้วเข้าใจเหตุถ้าอริยศาสตร์เนี่ยนะก็สามารถเข้าใจเข้าใจทุกได้ใช่ไหมว่านี้ทุกเนี่แล้วก็เข้าใจว่านี้เหตุของทุกนี้เหตุให้เกิดทุกแล้วเข้าใจนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกก็จะเข้าใจอัฏฐะของ และก็ธรรมะของคำสอนนั้นนั้นแล้วในที่สุดจริงก็แทงตลอดธรรมะนั้นนั้นได้แทงตลอดทุกด้วยการกำหนดรู้แทงตลอดทุกขสมุทัยด้วยการละแทงตลอดทุกขานิโรธ ด, ด้วยการทำให้แจ้งแทงตลอดทุกขานิโรธาคารมีนีปฏิบัติด้วยการเจริญก็จะแทงตลอดธรรมะนั้นนั้นได้ตอนนี้ยังแทงตลอดไม่ได้ประบอกทุกคืออะไรทุก ไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นต้นว่าเออทุกนี่ควรกระทาเขาอย่างไรเออทุกก็อย่าไปแตามันเป็นทุกก็สมมุติถ้าทุกกายก็หาอะไรมาบํารุงบําเลอก็ไปนี้เนี่ยที่จริงเขาให้กําหนดรู้เขาให้กําหนดรู้สําหรับอานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยนะเป็นอานิสงส์ของการสนทนาธรรมตามการไปด้วยที่เรียกว่าเป็นที่รักที่พอใจยกย่องของพระาศาสดาพระไตรปิฎกเนี่ยเออพระไตรปิฎกฉบับของโรมันเนี่ย ฉบัภาษาอังกฤษเนี่ยท่านบอกว่าผู้แสดงทำย่อมเคารพยกย่องเทิดทูนพระศาสดาแต่ของไทยบอกว่าผู้ที่ฟังทำเนี่ยย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่ยกย่องของพระศาสดาแต่ถ้าเป็นของอังกฤษนี่ต่างกันว่าเป็นที่รักที่พอใจเป็นที่ยกย่องคือกลับกายว่าย่อมเป็นที่รักที่พอใจที่ยกย่องของศาสดาแต่ของของฉบับโรมันบอกว่าผู้แสดงทำย่อมเคารพ ยกย่องเทอดทูพระศาสดาคือกลับกลายเป็นอย่างนั้นในหมวดนี้นะหมวดของการฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมตามการเนี่ยในข้อนี้ท่านก็แสดงให้ดูบอกว่าการฟังธรรมธรรมที่ควรฟังการและเวลาควรฟังธรรมมงคลอย่างการฟังธรรมการฟังนี่ยดีอย่างไรเนี่ยพุทธพาสิตธ์บอกสุดสูสังระเดปัญญาเนี่ยผู้ฟังได้ดีย่อมได้ปัญญาเนี่ยการตั้งใจฟังก่อให้เกิดปัญญาเป็นต้น ทีนี้การฟังทำแนวหน่ยนวยประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นนั้นมากและแต่ผู้ฟังจะถือเอาประโยชน์ในแง่ในทางไหนก็ได้ท่านบอกอานิสงส์ดังที่ได้กล่าวเนี่ยฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดได้เคยฟังแล้วไม่เฉมแจ้งก็ทําให้เขฉมแจ้งมันเทาความสงสัยแล้วก็จิตทําความเห็นผิดให้เห็นถูกได้จิตของผู้ฟังก็ผ่องใสทำที่ควรฟังก็คือว่า หลักการที่ดียิ่งกันไปนปริยัติสัจธรรมเนี่ยหมายถึงคําสอนที่วิเคราะห์ไว้เป็นวินัยยบิดกบ้างเป็นสุตตันตบิดกเป็นภาพิธรรมบิดกฉะนั้นคําสอนที่ควรฟังก็ต้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่วนปฏิบัติสัจธรรมก็คือการเอาศีลสมาธิปัญญาอาอริยมรรคีองค์8มาเป็นหลักปฏิบัติอบรมใจให้สงบมั่นคงเพื่อจะชําระทิฏฐิให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อผลก็คือปฏิเวทสัจธรรมก่าวือมรรคผลและก็นิพพาน วันเวลาเห็นการฟังธรรมถ้าในสมัยก่อนเนี่ยพระธรรมสังฆาหากาจารย์ท่านกําหนดไว้เดือนละสี่วันขึ้น8ดค่ําขึ้น13ค่ําแรม8ดค่ําแรม14บ่ําและสิบห้าค่ำเป็นต้นวันธรรมมาสวนานอกจากระเบียบแล้วยังมีวันสําคัญยอย่างนั้นเขาเรียกว่าจัดว่าเป็นมงคลฟังในคราวอากุศลและวิตกครอบงำจิตใจฟังในคราวมีผู้แสดงธรรมเนี่ย เวลาใดมีบาปมีอกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ฟังในเวลานั้นเนี่ยผู้ฟังธทมและศึกษาพระธรรมจนชํานาญเนี่ยเนยีเมื่อละจากโลกนี้แล้วไปในภพ อ, อื่นก็มีปัญญารู้ธรรมะ ข, ของพุทธเจ้าได้อย่างรวดเร็วเขาเรียกว่าสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เงิสมมุติว่าฟังในชาตินี้แล้วไม่ได้บรรลุเนี่ยเนี่ยเออถ้าไปชาติอื่นแล้วบรรลุไม่ยากเราก็เราก็ต้องก่อเขาไว้ใช่ไหมแต่ต้องฟังให้รู้เรื่องชาตินี้นะ ไม่ใช่ผมฟังว่าเป็นพธิธีเปิดทิ้งเขาไว้ก็ทํางานไปด้วยฟังไปด้วยคื อ, ค, อคือฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะพอฟังไม่รู้เรื่องจะบอกว่าเดี๋ยวชาติหน้าเราก็ได้บรรลนะุเพราะมีอา น, นิสงส์บ่งบอกบอยู่ว่าฟังทำอย่างต่อเนื่องแล้วไปชาติหน้าจะได้บรรลุคือเอาชาตินี้ให้รู้เรื่องไอ้ความรู้เรื่องในชาตินี้จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปในชาติหน้าแล้วบรรลุได้เลยผู้ฟังธทำและศึกษาพระธรรมจนชํานาญเนี่ย เมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในภพอื่นก็จะมีปัญญารู้ธรรมของผู้บุญเจ้าได้รวดเร็วแม้สั่งสอนคนอื่นก็ได้และได้บรรลุมรรคผลได้แล้วก็หมายความบอกว่าถ้าเราสั่งศึกษาคําสอนในปัจจุบันในชาตินี้ไปฟังธรรมจากพุทธเจ้าบรรลุเร็วและสามารถสอนคนอื่นได้แต่ถ้าเราไม่ฟังธรรมไม่ศึกษาพระธรรมถ้าบรรลุก็เงียบเฉยอ ย, อยู่นั่นสอนคนอื่นก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นโทษอีกอย่างหนึ่งเขาใจ้่บเนี้ยเป็นโทษ ผู้ฟังทำศึกษาแระทำจนชำนาญเนี่ยเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วในพบอื่นขั้นมีผู้แสดงทำให้ฟังก็ระลึกได้และก็ได้บรรลุมรรคผลได้เร็วไปอยู่พบอื่นนีถ้าใครแสดงให้เราฟังเนี่ยบรรลุแต่ต้องเป็นคําสอนนีผู้ฟังทำและศึกษาทำจนชำนาญเวลาโลกนี้แล้วไปเกิดในพบอื่นแม้ตัวเองจะจําธรรมะไม่ได้แต่ถ้ามีคนมาเตือนนะเพราะอุปนิสัยที่เคยฟังเคยศึกษามาก่อนก็จะบรรลุมรรคผล มีข้อน่าสังเกตว่าสมัยใดผู้นับถือศาสนาตั้งใจฟังทำรรตั้งใจศึกษาตั้งใจจดจําตั้งใจใไข้ครวญเนื้อหาของวัธธรรมเนี่ยรู้เนื้อความแล้วตั้งใจปฏิบัติตามสมัยนั้นศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองส่วนสมัยใดคนเสื่อมโทมมาจากศาสนาจึงพึงตกถามว่าถ้าคนไม่ตั้งใจไม่ศึกษากันอย่างจริงจังเนี่ยเรียบร้อยในยุคนั้นในสมัยนั้นศาสนาก็ไม่มีอยู่แล้ว นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ประการต่อไปก็คือว่าขันตีขันติขันตีนี่ก็เป็นมงคลนะความอดทนขันตีในอัตถกถาอธิบายว่าขันติได้แก่ความข่มใจความอดทนความอดกั้นผู้ที่จะอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาได้นั้นต้องใจเย็นไม่มีโทสะพวกทีนี้ลักษณะของมงคลในข้อนี้เนี่ยขันตีเขแปลว่าความอดทนเป็นธรรมที่ จำเป็นสำหรับคนทุกระดับเนี่ยนะท่านอธิบายประเภทของขันติกะวะ็ว่าตีติขาขันติ ข, นตต ข, นตขันติทีติขันติขันตินิทนทานคือขันติที่มั่นคงอธิวาสนาขันติคือความอดกั้นหรอือการยับยั้งเนี่ยตัวขันติเนี่ยนยีความออมใจของเราธรรมดาย่อมหิวกรหายอยากเป็นกำลังอยากในทางที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างใจที่อยากในทางที่ดีทางชอบ ใจสูงใจที่หักห้ามในตนเองได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นลักษณะของความอดทนนี่เนอะเออเราให้สังเกตดูนะบอกว่าไอความอดทนในลักษณะอย่างนี้ทํายากจริงนะเช่นนั้ น, น, นถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ใดๆก็แล้วแต่เนะี่ยมีคนที่เราชอบบางไม่ชอบบางบางคนเราเกลียดบางคนเรารักบางคนเราลําค า, ลคาญอะไรเงี้ยเนี่ยนะถ้าเรามีความอดทนในสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเ อ, อจิตใจทนทาน อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทนตรากตามในการทําการงานเช่นทนต่อความหิวกระหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยแล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ยากเนี่ยสมัยก่อนทํานาเนี่ยยอมพ่อเนี่ยก็ไม่ยอมบอกว่าเออหยุดโอ้ท่านขยันจริง น, นินทายอมพ่อนแล้วก็ไปขุดขนาแป๊กแป๊กแป๊ ก, ป ก, ปกนเนี่ยเนี่ยเจ็ดโมงก็แล้วเจ็ดโมงเช้าเนี่ยถือว่าอ ก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าๆเนี่ยนะที่บ้านตื่นกันอย่างเงี้ยก็ไปทํางานกันเนี้ยทำตีสี่แล้วก็แล้วตีตีห้าหกโมงเจ็ดมงนี่แปลว่าหิวแล้วเนี่ยหันไปยังเห็นท่านขุดจืดจืดจืไม่พูดเนี่เราก็โอ้แปดโมงที่ถึงเก้าโมงนะบางทีต้องบอกแกบอกว่าหิวแล้วแกบอกอ้าวไปอะไรเงี้ยเนี่ยนะ แกบอกแหมเป็นหนุ่มไม่อดทนเลยก็แหมว่าเราสิไปไปกินข้าวกินอะไเบ็ดเสร็จตอนเนี้ยทานอาหารเบ็ดเสร็จก็อยากจะนอนสักหน่อยใช่ไหมนะเอาแกคว้าจอบเสียมลงแล้วบอกอุ้มเราบอกโอ้โหนั้นไม่มีใครสู้แกเลยเรื่องความขยันแกขยันจริงๆขยันประหยัดนี่ต้องยกให้แกเลยขยันประหยัดแล้วคิแต่แกไป ม, มีความคิดลักไหนวา นั้นพอล ก, ลกทุกคนเลยกลายเป็นคนไม่กลัวทุกกันเลยเดินเออมันกลับได้ดีกันนี่ไม่กลัวแล้วเรื่องทุกเรื่องลําบากเรื่องเลยเพื่อแกสอนมาดีแกไม่ได้สอนด้วยคำพูดหรอกพาทำจะไหมเรานึกตําหนิใน ใ, นใจเราบอกออืเล่นเล่นขยันจนชาว บ, บ้านลือเล <c oughs> ยใครใครเขาบอกโอ้โหตระกูลนี้ขยันกันจริงจริงแต่อีกอีกลายหนึ่งหนักกว่า น, นั้นอีก หนักก็ยอมพ่ออยตอนนี้ยังบวดอยู่เลยเนี่ยพอลูกบอกว่าพ่อปวดหัวนี่โยนจอบให้เอ้านี่ <c oughs> ยาแก้ปวดหัวคือให้ไปขุดดินบ้างให้ไปฟันคันนาบ้างไงอะไรอย่างงี้ไปทำงานจนหายอะ่ะอโอ้โหเด็กรุ่นนี้ไม่มีที่ไปเจอแบบอดทนแบบไม่ร้องไห้เลยถ้าไปเจอกันอย่างเงี้ยใช่ไหไม่อดทน้เวลาเห็นเขาทำนาทำไรเห็นเขาเลยนี่โอ้โห สบัดหน้าหนีเลยทุกคนนี่ไม่อยากแม้ได้จะมองบอกโอ้เห็นมาจนทุกชิน้นหลับตาแล้วมองเห็นหมดเลยเห็นว่าเป็นบาปยังไงก็รู้ด้วยเนี่ยแต่ว่าคนที่เขามีความอดทนเนี่ยเขาอดท น, นอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยต่อความลําบากต่ออะไรต่างๆที่สุดจริงๆก็คืออดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กวลกว歪นะดํารงมั่นอยู่ในภาวะปกติอย่างนั้นเขาเรียกว่ามีทิฏฐิขันติ คือมีความทนทานอย่างมั่นคงมีความมั่นคงป่วยก็เฉยเนี่ยทำยยได้ยากไม่ใช่ง่ายงเลยถ้าใครเคยอยู่กับภาวะของความเจ็บปวดได้จะรู้ไม่ใช่ง่ายงายเอออย่างพระในสมัยก่อนบางองค์ที่ท่านมีภาวะจิตที่ดีๆใช่ไหมท่านจะป่วยจะไรต่างๆไม่แสดงอาการออกมาแต่ปัจจุบันนี่หาไม่ค่อยมีเลยพระอย่างนี้ไม่ค่อยมีป่วยแต่ที่รีบพามก็โรงพยาบาล ประการต่อไปก็คือความอดกลั้นยับยั้งใจไม่ให้โกรธในเมื่อผู้อื่นแสดงกริยาวาจาล่วงล้ำกำเกินถ้ามีใครสบประมาทซึ่งหน้าถ้าสามารถอดทนเพื่อรักษาความเป็นผู้ดีของตนโดยไม่ได้ตอบโต้กิริยาว่าร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ไม่ใส่ใจและใจก็ไม่โกรธ ด, ด้วยในขณะนั้นถือว่ายิ่งเช่นถ้ามีใครมาชี้หน้าแล้ว กล่าวพรุษสวาสดหรือตําหนิเนี่ยแล้วก็อยู่ในภาวะจิตที่เป็นปกติไม่โกรธแล้วก็เห็นใจเขาเข้าใจเขาที่เขาแสดงป ฏ, ฏิกิริยาอย่างนั้นลองไปฝึกดูที่ทําได้ถ้าทําได้เนี่ยเขาเยี่ยมโดยไม่ได้ตอบโต้เลยกิริยาวาจาเลวร้วายไม่รับเอากรรมชั่วของผู้อื่นมาใส่ใจอันนี้เขาเรียกว่าอธิวาสนาขันติขันติมีความอดกลั้นหรือยับยัง้ง นักปราดนิยมว่าเป็นคันติชั้นสูงไม่เหมือนกับที่ท่านพระศาทีบุตรเนี่ยที่ทะพราหมบอกว่าเขาคุยกันหมดลองดูสักตั้งหนะึงพระรูปนี้เขาว่าอดทนดีนะาเดินไปข้างหลังก็ชกเต็มที่เลยเนี่ยนะทบหลังเต็มที่เลยตบท่านไม่เหลียวมาดูเลยนะเดินป <laughs> ินบาทเฉยจนชาวบ้านเห็นโอ้โหไม่ไหวแล้วนี่ทำลายพระนี่ก็กลูกันเข้าไป พระส า, ารีบุตรก็ถามท่านทำอะไรบอกว่าจะไปประทุสร้ายคนที่ประทุษร้ายท่านท่านพระส า, ารีบุตรก็ถามบอกว่าเขาประทุษร้ายท่านหรือบอกเออไม่ใช่ก็เราเองยังไม่เป็นยังไม่เดือดร้อนเลยยังไม่ทุกข์ใจยังไม่ได้ไปใส่ใจเลยแล้วพวกท่านจะไปเดือดร้อนทุกข์ใจแทนเราทําเออค้าหน้าไปเผึอกกั น, กนอย่างนี้แสดงว่าเขาอดทนได้จริงๆ ยังหลายหลายท่านเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดพูดออกมาแล้วแค่ใช้หางตามองะหามองธรรมมองหาเรื่องหรือไงกไปเลยเดียนี้แค่เขามองแค่นั้นะยังไม่รู้เลยว่าเขามองด้วยจิตที่เป็นบุญหรือเป็นบาแล้วบางคนคาดคะเนเอาแล้วบอกแหมแค่ดูหน้าก็รู้แล้วว่าคนคนนี้เ็าดา่ดาด่าฉันด้วยสายตาเ็ว่างั้นก็โอ้นัไม่เดารู้เขาอยู่ว่าเขาด่าด้วยสายตา อ ย, อย่างนี้เขาเรียกไม่มีขันตินะั่นะไม่มีขันติชั้นสูงรวมความก็คือว่าขันติเนี่ยนะอุปมาบอกว่าขันติอื่นทั้งหมดเนะ่ยเหมือนคนแบกข้าวสารได้ทั้งกระสอบแล้วก็แบกข้าวสารครึ่งกระสอบได้ง่ายฉะนั้นขันติกับวิริยะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันมากนะไม่ว่าจะเหมือนกันทีเดียวก็เห็นได้เพราะฉะนั้นในธรรมะมนในขันติ วิริยะนั้นถ้าขันติมีอยู่ที่ไหนวิริยะก็จะมีอยู่หนาะที่นั่นดยนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้สรุปความก็คือว่าความอดทนที่เรียกว่าอธิวาสนะขันตนะินั้นหมายความว่าอดทนต่อการล่วงเกินของคนที่ตามกว่าเราเท่านั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่มีอธิวาสนะขันติเนี่ยนะไม่ว่าในสมัยคั้งพุทธกาลหรือสมัยนี้มเมื่อเข้าวัดฟังธรรมยำสีนภาวนาก็ต้องถูก พวกคนเขาตำหนิว่าบางทีเนี่ยเนี่ยเออสมัยก่อนตอนไม่ไม่ได้อยู่ในเพศพระก็ไปทำบุญกับโยมแม่ก็จะไปทุกวันพระยังพวกพวกก็จะค่อนขอดบอกว่าจะไปสวรรค์นิพพานหรือไงอะไรเงี้ยเออโดนคนว่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ยไอ้ใจเราก็อยากทำบุญไม่รู้เป็นยังไงแล้วเราเข้าไปในวัดเนี่ยแล้วมันสบายใจอะ ใช่ไหมมันมันเราก็บอกไปดูแต่ถ้าไปงานไปอะไรต่างๆกับเขานี่อยู่ไม่ได้เคยไปกับเขาดูนี่เนีลองไปดูดเอ๊ะมันทํำไมวุ่นวายกันเหลือเกินเนี่ยใจมันก็เป็นอย่างนี้ก็เลยมันชอบไปวัดขันติเป็นพื้นฐานของคุณธรรมอื่นๆเช่นศีลสมาธิปัญญาและกุศลธรรมทั้งปวงเนี่ยนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าขันติเนี่ยเป็นมงคลเนยทีนี้หมวดของความอดทนเนี่ยนะในขันติความอดทนเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งท่านบอกบอกว่า บุคคลพึงอดทนต่อถ้อยคําผู้ประเสริฐกว่าได้เพราะความกลัวพึงอดทนต่อถ้อยคําของคนที่เสมอกันได้เพราะการแข่งขันเป็นเหตุส่วนผู้ใดในโลกนี้อดทนต่อถ้อยคําของคนที่เลวกว่าได้สัตว์บุรุษทั้งหลายกล่าวความอดทนของผู้นั้นว่าสูงสุดคืออย่างนี้เช่นถ้ามีคนที่สูงกว่าเราคําว่าสูงไม่ใช่สูงโดยสรีระเนี่ยเขามีตําแหน่งหน้าที่สูงกว่าแล้วเขาว่าเนี่ย ความอดทนเนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเช่นผู้ใหญ่เนี่ยพ่อแม่ว่าอะไรเงี้ยก็ก็อดทนได้กับปกติไม่ประเสริฐหรอกแต่ถ้าอดทนต่อเพื่อนๆนคนที่เสมอกันว่ากันมันแข่งกันเฮ้ยมึงยังทนได้กูก็ต้องทนได้แต่ถ้าใครเนี่ยสามารถอดทนต่อคนที่เขาตำต้อยว่าเช่นมีคนกวาดถนนมีคนขอทาน เ, เนี่ยคนขอทานมาเขาชี้หน้าว่าถ้าใครอดทนได้โอ้ ยอดเลยเออถือว่าชั้นยอดเลยวนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเด็กๆเนี่ยนะมีเด็กๆตัวเล็กๆมาชี้หน้าดา่าแล้วสามารถโอดทนได้เนี่ยเนะี่ยโอ้ถือว่าเก่งล้วมงคนบกแหมเด็กไม่รู้จักที่ตามที่สูงเดี๋ยวมาจัดการ <c oughs> เลยเสียเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีพระอยู่รปูปมีเด็กเด็กคนเนี้ยคือใครไปเล่นใครไปจับหัวไม่ได้มันดา่ายาวๆด่าเสียหายๆก็มีพระเทลารูปนึ่งนะท่านก็ไม่รู้มัน ก็เดินอาจารย์ก็มองดูนึกอาจารย์นึกในใจว่าพาระรลภนี้ต้องโดนด่าโน่นเนี่ยเพราะเป็นคนชอบจับหดดัวเด็กเดนเดินมาก็จริงมาก็จับหัวปุ๊บโอ้เป็นชีหน้าดา่าท่านรีบเดินหนีปุ๊บปไม่พอใจบอกอเด็กด่าขเขาคิดว่ามันจะไม่ด่าก็ว่ามันดา่าอย่างเนี้ยบุคคลผู้ถูกจับไล่จากแว่นแคลนของตนไปสู่ถิ่นอื่นควรสร้างฉางใหญ่ไว้สําหรับ